อุบายลากาม 8 ท่านประจําพรรษาที่ท่าพวงณท่าพวงแห่ง ซึ่งเป็นสติและปัญญาได้เล่าให้พ่อออกแม่ออกเพื่อเป็น ญาติของสมณเณรคนหนึ่งเป็นหญิงสาวไปส่ง ทำแต่ตัวเราไปหมายในตาของเขาเองหลายวันเข้าจิตก็เกิดความยินดีในสายตาของเขาเช่นนั้นเองตามประสา กระดับมองไม่เห็นกระดูกโอกของเราเห็นแต่สายตาของสีกามาท transition llamasaf จิตไม่สงบพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผลภาวนาที่ไรก็เห็นแต่ตาหวานของเขาทุกทีจิตไปจดจออยู่แต่สายตาของเขา เผลอมีมาเล่าว่าผู้ชาย 2 คนขึ้นมาสนทนา เขาก็รับคำและลา 3 2 แขวนไว้ตลอดไว้นั่งภาวนาก็แขวนไว้ที่คอแขวนมันอยู่เช่นนั้นไม่ยอมถอดออกแล้วก็สอนตนเองว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคออย่างนี้แหละถ้าเธอภาวนาไม่เห็นร่างกระดูกไม่เห็นกระดูกในตนของตนแล้วคอนั่ง ไม่แก้ออกให้แก่ออกให้แขวนมันอยู่อย่างนี้รู้จัก มันด่านไปบุกรั้วเขาไปเข้ากิน เดินจงกรมแขวนมันอยู่อย่างนั้นแคว้นนั่งภาวนาก็เราก็ไม่แก้ให้แคว้นทอรมานมันอยู่ กระดูกก็แดงเหมือนเลือดข้าพเจ้าแขวนกระดูก ท่านเข้าพอรุ่งเช้าล้อกากใหญ่เลย ครูบาจวนทำอย่างนั้นเห็นจะเป็นบ้าไปเสียแล้ววิปริตไปเสียแล้วหลวงปู่ขาวได้ฟังดังนั้นจึงได้นั่งพิจารณาและตอบว่าท่านมิใช่เป็นคนบ้าอันนี้เป็นอุบายของท่านต่างหากท่านคงมีเหตุจำเป็นคนบ้าคงจะไม่ทำอย่างนี้ นี่คงจะเป็นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราควรคอยรอฟังกันไปก่อนสำหรับทรมานของท่านจึงเอากระดูกช้างออกจากคอ แล้ววันหนึ่งก็ไปกราบนมัสการหลวง ทำให้จิตใจไม่สงบฉะนั้นกระผมจึง มาเป็นสคีพยานแขวนคออยู่ภายนอกนี่แหละ มันไปบุกรุกทําลายเลือกสวนไร่นาของ ได้ผลครับได้ผลดีหายเลยจิตสงบดีแล้วผลดีหายดีมากผมยังคิดไม่ได้เลยสงบดีแล้วผมผมก็ยังไม่เชื่อ อุบายดีนักได้ผลดี